สถานการณ์ทุกวันนี้นี่อะไรอะไรก็ออนไลน์ไปสมบูรถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูผ่อนคลายลงไปแล้วบ้างแต่แน่นอนวิธีที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมลำบาก มันก็ต้องปรับตัวกันไปในสถานการณ์ที่โรคระบาดมันยังได้รับการจัดการไม่ได้ก็ได้แค่พอควบคุมบ้างไม่ให้มันระบาดไปในวงกว้างหรือแพร่หลายมากเราก็ต้องคอยมีพฤติกรรมชุดใหม่ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ โรคระบาดมันกำลังมีอยู่จากเดิมที่ไม่เคยใช้หน้ากาก<ม>ก็ต้องมาใช้หน้ากากจากเดิมที่ไม่ก้อยล้างมือก็ต้องมาล้างมือบ่อยๆก็ต้องมีจิตใจที่คำนึงถึงความสะอาดมากขึ้นคำนึงถึงว่า อะไรบ้างที่มันจะเป็นทางเสี่ยงที่จะทำให้เรารับเชื้อโรคอันนี้เข้ามาแล้วเราจะป้องกันกันยังไงบ้างอย่างน้อยการที่เราเข้าไปในหมู่ชนมันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรอะไรก็คือต้องหลีกเลี่ยงการที่เราจะไปอยู่ในคลุกคลีกับหมู่คนมากๆ มีงานประชุมสมัมมนาอะไรก็ให้จัดเป็นออนไลน์ซะจะได้ไม่ต้องมาพบปะกันตรงๆก็ไม่เสี่ยงภัยต่อการนำเชื้อหรือได้รับเชื้อพอเราทำไปอย่างนี้ได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มมีความเคยชินมีความคุ้นคุ้นชินะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมชุดใหม่อันนี้ได้สะดวกขึ้นคล่องตัวขึ้นมันก็จะฝืนๆสัหน่อยนึงช่วงแรกๆ แ, แต่พอเราทำแล้วทำบ่อยๆทำจนชินทำจนชํานาญมันก็กลายเป็นพฤติกรรมกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นนิสัยอันใหม่ของเรา มันก็ไม่ใช่ว่าของเก่าดีกว่าหรือของใหม่ดีกว่านะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์นั่นแหละการที่เราอยู่กับโซเชียลแบบปัจจุบันนี้มันก็สะดวกแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงที่เราจะรับเชือ้อแต่ข้อเสียมันก็มีนะไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อดีความสะดวก อย่างข้อเสียอย่างเงี้ยอะไรอะไรมันก็รวดเร็วง่ายไดย้อย่างคนที่ทำงานที่บ้านเนี่ยเทียบกับการทำงานที่ทำงานชั่วโมงการทำงานมันก็เพิ่มขึ้นนะมันไม่เหมือนกับว่าเราเข้าแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นถ้าคนขยันหน่อยกลับมาบ้านก็อาจจะเอางานติดกลับมาด้วย ซึ่งแน่นอนแหละมันอาจจะทำงานมากก็จริงแต่พอทำงานที่บ้านแล้วเนี่ยมันทำงานเยอะกว่าเดิมอีกเวลาพักมันก็ไม่มียิ่งทำงานที่ง่วงๆหรือว่ากาลังเพลินทำงานเนี่ยมันก็ทำไปบางที่ยิ่งกว่าโอทซะด้วยซ้าทำงานไม่มีช่วงเวลาที่จะได้หยุดพัก มันก็ใช้ทรัพยากรร่างกายมากเกินขีดจำกัดเหมือนกันมันก็มีข้อดีข้อเสียนั่นแหละออข้อดีอาจจะสะดวกสะดวกมากขึ้นในหลายๆวิถีแต่ในความความดีมันก็ต้องมีความไม่ดีประปรนอยู่ ความพอดีเนี่ยที่เราใช้เนี่ยถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความพอดีมันจึงเป็นสิ่งจําเป็นเนี่ยแต่โดยมากเวลาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากเรื่องความพอดีอะเพราะว่าพอดีแต่ละคนมันก็นิยามไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยๆเราก็อย่าให้มันหนักหนักมากจนเกินไป แต่ก็อย่าให้มันหย่อนจนเกินไปรู้จักพักรู้จักที่จะลุยงานภาวนามราก็ไม่ต่างกันก็ต้องรู้จักที่จะพักด้วยรู้จักที่จะไม่ขี้เกียจ ร, รู้จักที่จะขยันก็ต้องทำให้มันพอดีทำให้มันกลมกล่อม จังหวะไหนเรารู้สึกตัวว่าความขี้เกียจขี้คร้านมากๆเราก็ต้องฝืนเราก็ต้องหาพยายามทำให้มันมากขึ้นแต่นแน่นอนแหละถ้าช่วงนั้นถึงจะทำเยอะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ผลดีก็ขยะมันเยอะมันจะให้ได้ผลดีมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมถ้าตอนช่วงไหนขยะในใจน้อย ทำใช้เวลาไม่มากมันก็ได้ผลได้ผลดีแต่ถ้าขยะในใจเรามากเราเห็นถึงความขี้เกียจอีกคร้านเกาะกลุมหัวใจเราเนี่ยเราจะไปหวังเอาผลดีผลกดงามันลำบากแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่แหละฆ่าความขี้เกียจให้มันตายลงไปจากใจของเราสร้างความขยันสร้างความเปียนขึ้นมา ส่วนผลของความเพียนของเรามันจะปรากฏได้ดีมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปสนใจแต่สนใจว่าเราได้ฆ่ากิเลสคือไอ้ความขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยตายไปยังไงตายไปมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราได้ปรับพฤติกรรมใหม่ๆในชีวิตของเราจัดตารางเวลา ใหม่ๆให้กับชีวิตของเราเราก็จะได้เห็นนะว่าพอทำไปสักพักหนึ่งมันมีความเคยชินแล้วมันก็จะได้เห็นว่าตารางชีวิตแบบเก่าเป็นยังไงตารางชีวิตแบบใหม่เป็นยังไงบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดเวลาเราเทียบเคียงกับชีวิตถ้ามองในแง่ของธรรมะ แล้วก็ในแง่ของธรรมกับกิเลสชีวิตเก่าๆที่เราเดาเนินมาในแบบที่หัวใจของเราเนี่ยมีกิเลสคอยบังคับบัญชาเป็นแบบไหนเป็นยังไงผลที่ได้เป็นยังไงกับการที่เราได้ปรับเปลี่ยนจังหวะชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน ใหม่ๆโดยที่ใช้เวลาไปกับธรรมะมากขึ้นได้ย้อนใจกลับมาในภายในมากขึ้นมีสัมมาสติมากขึ้นมีสติเห็นกายเห็นใจมากขึ้นเห็นกระแสของใจบ่อยขึ้นและผลที่ได้จากการกระทาแบบนี้มันเป็นยังไง มันก็เทียบเคียงได้และ ว, ว่าพฤติกรรมแบบเก่าความปกติแบบเก่าเป็นยังไงแต่ความปกติแบบใหม่ชีวิตแบบใหม่ๆแบบเก่าเรามีธรรมะที่อ่อนกําลังมีกิเลสที่มันมีกําลังคอยบงการเป็นเจ้านายหัวใจของเราเป็นแบบนี้ แต่เราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่เราใช้ปรับเปลี่ยนกิจวัตรต่างๆในแบบที่ใช้เวลาไปกับธรรมะมากขึ้นมันมีผลเกิดขึ้นยังไงบ้างกับจิตใจซึ่งถ้ามันดีใช่ไหมถ้ามันดี เราก็อย่าไปย้อนกลับไปในแบบเก่าๆมันอย่างตอนนี้รัฐบาลก็ก็<ๆ>พยายามนั่นแหละโปรโมทใช่ไหมนิว n o r m a l ชีวิตใหม่ๆชีวิตใหม่ความเป็นปกติแบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบเก่าเราก็ต้องมีนิว n o r m a l l เหมือนกันนิว n o r m a l ของธรรมะ จากที่ normal แบบกิเลสมาแล้วเราก็ต้องมาเป็น new normal มีชีวิตปกติแบบใหม่แบบที่มีธรรมะนำหัวใจทำไมก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาในการปรับตัวใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็อาจจะต้องฝืนบ้างเพราะว่ามันเป็นความที่ไม่คุ้นชิน แต่มันก็จะเหมือนกับทุกวันนี้แหละที่ใครๆก็ไม่ได้ขัดเขินกับการใส่หน้ากากค่านิยมในการที่เราจะเห็นคนใส่หน้ากากก็เป็นของเรื่องปกติแล้วอย่างสมัยก่อนว่าอาจจะมีค่านิยมสำหรับคนที่ใส่หน้ากากอนามัยว่าคนนั้นน่าจะป่วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ใครไม่ใส่ก็เริ่มจะต้องมองเขาแบบแปลกๆแล้วว่า ปกติมันควรจะต้องใส่นะเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วยแต่ถ้าไม่ใส่ก็กลายเป็นว่าก็มีโอกาสที่จะถูกมองว่าเป็นคนไม่ใส่ใจตัวเองไม่ใส่ใจคนรอบข้างไม่ใส่ใจสังคมถึงสุขอนามัยที่ดีเพราะฉะนั้นวิธีเก่ากับวิธีใหม่เนี่ยมันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงในทั้ง มุมมองความคิดกับพฤติกรรมใช่ไหมซึ่งถามว่าอนาคตอนามมันมีมาเพิ่งมามีช่วงนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันมีมานานแล้วแหละแต่เรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะนํามันมาใช้ให้มันกลมกลืนกับชีวิตประจําวันแต่พอมาอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแล้ว เป็นความเคยชินที่ทุกคนก็จะใส่หน้ากากกันจะไปไหนมาไหนก็ออกจากบ้านไปข้าง น, นอกก็เป็นของที่ขาดไม่ได้แล้วหน้ากากมันก็จึงเป็นชุดพฤติกรรมอันใหม่ใช่ั้ยอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้พกแค่เฉพาะหน้ากากอนามัยอย่างเดียวนะในกระเป๋านี่ทั้งเจลเอวยทั้ง แอลกอฮอล์แบบพ่นแบบฉีดโอยมันเต็มไปหมดเต็มกระเป๋าแะเพราะฉะนั้นจากเดิมที่กระเป๋าเราอาจจะมีแค่เฉพาะกุญแจรถกระเป๋าสตางค์บักกาหรือว่าสมุดโนด้ตบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้สิ่งที่มัาจะต้องติดติดกระเป๋าคนส่วนมากก็เจลแอลกอฮอล สเปรย์แอลกอฮอล์ของที่ติดตัวก็จะต้องเพิ่มเติมว่าสิ่งเหล่านี้ เ, เป็นสิ่งจำเป็นก็เพื่อยกระดับยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้มันปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภายนอกอะแต่อย่าลืมว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยมันก็เป็นโรคทางกายภาพใช่ไหม ซึ่งมันก็มาเกิดเอาช่วงนี้แหละช่วงต้นปีแล้วก็ปลายปีที่แล้วต่อกันอันนี้ก็เขาก็ประกาศกันโครมครามเลยว่าอเป็นโรคระบาดนะต้องคอยระวังนะเราก็เห็นเนี่ยว่ามันแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็มีความตื่นตระหนกพอตื่นตระหนกสักพักหนึ่งก็เริ่มที่จะยอมรับเข้าใจมันก็ เพิ่มระดับความป้องกันแล้วก็ลดความตื่นตระหนกลงบ้างขากการที่เราดูข่าวจากการที่เราเห็นนั่นแหละว่าเออสถานการณ์มันเป็นยังไงความน่ากลัวของเชื้อโรคอันนี้มันเป็นยังไงแพร่กระจายไปง่ายติดกันง่าย แล้วก็ถ้ามันติดร้ายแรงเนี่ยมันก็ทำให้ตายได้นะถ้าเราไม่ดูแลกันให้ดีซึ่งเราก็จะเห็นถึงความน่ากลัวเห็นถึงภัยของมันที่ใจเข้าไปที่ใจซึ้งไปในใจว่ามันร้ายแรงมันน่ากลัวนะต้องระมัดระวังแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศถึงโรค โรคภายในโรคเกี่ยวกับใจเนี่ยประกาศมาแล้วตั้งนานนมนานเป็น 2,600 ปีแล้วแล้วก็ประกาศโทษของมันไม่พอก็แสดงเส้นทางที่จะนำพาให้เรารักษาให้หายจากโรคอันนี้ด้วยแสดงว่าต้องใช้ยาอะไรใช้ยาขนานไหนเพื่อที่จะรักษาโรคทางใจ แต่เราเนี่ยเห็นภัยมันลึกซึ้งอยู่ที่ใจแบบไอโรคโควิดแบบนี้หรือเปล่าการที่เรารู้จักถึงความน่ากลัวแต่มันยังไม่ได้ลึกซึ้งลงไปในใจเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กระตืรือร้นไม่มีความแบบตื่นตัวที่จะคอยป้องกันที่จะคอยสู้กับมัน เทียบเคียงกลับมาที่สถานการณ์ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ตอนที่มันพีิกพีกเนี่ยทุกคนมีความระวังตื่นตัวที่จะป้องกันอย่างดีเลยซึ่งก็ทำให้ร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้เนี่ยเห็นว่าประเทศเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าบริหารจัดการกับโรคระบาดอันนี้ได้ดีเยี่ยม เทียบกับนานาประเทศของโลกแล้วเนี่ยประเทศเราก็ติดอันดับท็อปท็อปเลยทำไมถึงจัดการได้ดีก็เพราะทุกคนเห็นถึงความสำคัญเห็นถึงโทษภัยจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริหารจัดการช่วยเหลือกันแน่นอนแหละมันอาจจะไม่กลิปเหมือนแบบที่จะต้องเป็นไปตามทฤษฎี มันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างมีช่องโหว่บ้างแต่โดยรวมแล้วนี่ก็ถือว่าประเทศเราเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันดีแต่พอมาเป็นโรคทางใจกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้เห็นภยัยเห็นโทษของมันอย่างลึกซึ้งที่ใจก็เลยไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณค่า ของจิตใจรักษาจิตใจแล้วก็ไม่ได้พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าองค์กรหรือว่าแนวคิดที่จะปลุกฝังให้เห็นถึงโทษภัยของมันให้มันมากแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจที่จะคอยกำจัดมันออกไปจากใจเพรามันเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เห็นว่าสังคมเรามันก็มันก็จะดีแบบ แวบมันนะพอเจอภัยทีหนึ่งทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจแต่พอมันเริ่มที่จะอ่อนกำลังลงไปก็กลับมาทะเลาะ ก, กันใหม่ขัดแข้งขัด ข, ด ข, ดขากันใหม่โดยเฉพาะเรื่องการโกงคอร์รัปชันเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนฝังอยู่ใน DNA ฝังอยู่ในสายเลือดกันไปแต่ทำไมมันถึงมีแนวคิดอย่างนั้นก็เพราะว่า โรคที่เรียกว่าโลภะเนี่ยมันเกาะกลุมคอยบังคับบัญชาอยู่บนหัวใจของหมู่ชนอยู่ซึ่งถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเราได้รักษาโรคที่เรียกว่าโลภะอันนี้เนี่ยให้มันอ่อนกำลังหรือขาดออกไปจากใจได้เนี่ยสังคมเรามันก็จะน่าอยู่มากขึ้นอีก เป็นสังคมที่เราจะไว้ใจกันได้ว่าต่างคนก็จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเวลาใครมีหน้าที่ทำอะไรก็จะซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้นทุนชีวิตในสังคมของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะต่ําลงค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงเพราะว่า สมัยนี้เนี่ยถ้าเราซื้อของสมมุติว่าร้อยบาทเนี่ยดีไม่ดีสามสิบบาทเนี่ยเราก็ต้องแบกค่าที่ว่าเป็นค่า corruption ที่เขาจะต้องเอามาโปะให้เราจ่ายอ่ะเป็นต้นทุนของคนดีไม่ดี4ี่เอร์ซด้วยซ้ำซึ่งถ้าเราคิดดูว่าถ้าโลภะมันถูกกำจัดออกไปจากใจ ต้นทุนทางคอร์รัปชันไม่มีจากของที่เราจะต้องซื้อ100อยอาจจะซื้อได้ที่60บาทหรือ70บาทที่ไม่ดีอาจจะ50บาทต้นทุนโดยรวมของคนเหมือนก็จะลดลงอ่ะลดลงเยอะอยู่สบายกันมากอีกทั้งความโลภที่มันน้อยลงหมดไปเนี่ย สิ่งที่มันเพิ่มเติมที่เราจะได้ก็คือความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจมันก็จะเพิ่มขึ้นคุณธรรมอันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นได้แล้วสังคมของเรามันก็จะน่าอยู่ขึ้นต้นทุนในชีวิตก็ไม่มากแถมเวลามันมีอะไรก็ได้รับการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มันก็เป็นสังคมน่าอยู่นะแต่ตอนนี้มันพูดไปมันก็เหมือนเป็นสังคมในอุดมคติแต่มันก็จะไม่เชิงเป็นสังคมอุดมคติสักทีเดียวถ้าเราเห็นภยัยเห็นโทษของโรคอันนี้ที่แต่ละคนต่างไม่ใช่ว่ารู้แค่ว่ามันมีความร้ายกาจแต่ไม่ได้รู้สึกลงไปถึงจิตใจว่ามันมีความร้ายกาจจริงๆนะ แต่ถ้าเรารู้ถึงโทษกลัวภัยของมันได้เหมือนกับที่เรากลัวภัยของโรคระบาดนะตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเร่งเลยเร่งที่จะรักษาให้มันมันดีอย่างการแพทย์เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าโอ้เขาได้รับการสนับสนุนจากหลายๆทางโดยเฉพาะอ่าพวก วิศวกรเนี่ยเขาก็เร่งที่จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาซัพพอร์ตหน่วยงานทางการแพทย์ที่จะเอาไว้สู้กับโรคระบาดใช่ไหมเพราะว่าต่างคนก็ต่างเห็นภัยอ่ะต่างคนก็ต่างคิดว่าเราช่วยอะไรได้เรามีความสามารถอะไรได้เราก็ทําในแบบที่เราถนัดแล้วก็ประกอบมันขึ้นมาที่จะเป็นอาวุธเอาไว้สู้กับสถานการณ์ตอนนี้ ฉันได้ฉันนั้นนะต่างคนนะ่ะต่างอยู่ในสังคมที่มีหน้าที่ต่างๆกันยกตัวอย่างอย่างคนที่ไม่มีลูกใช่ไหมกับบางคนมีลูกอยู่ในสถานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ถ้าเราเห็นภัยของโรคที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหระรคะอันนี้เนี่ย เราก็ต้องสอนลูกไงสอนลูกให้ดีว่าเออไอเ น, นี้ยนะมันเป็นสิ่งไม่ดีคอยดูแลจิตใจให้ใจของเราเนี่ยห่างไกลาจากโลภะโทสะโมหะราคะนะแล้วก็สำหรับคนที่ อ, อยู่ในองค์กรอยู่ในที่ทำงาน เขาอาจจะมีลูกน้องหรือมีเพื่อนร่วมงานอเงี้ยซึ่งต่างคนต่างเห็นภัยในวัตฏะเห็นภัยของโรคที่เรียกว่าโลพาโตสาโมหะราคะเนี่ยมันก็จะต้องคอยร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมาแก้ไขอ่ะแต่มันอาจจะไม่เด่นชัดเหมือนกับที่ว่าอาคนนี้เป็นวิศวกรมาผลิตเครื่องมือส่งให้อะไรเงี้ยแต่นี้ เราก็จะทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้มันดีอะตาหน้าที่ถึงแม้ว่าจะเป็นวิศวกรแต่ถ้าเราคำนึงและเห็นภัยของโรคกิเลสเราก็จะสู้ในแบบวิศวกรก็ได้แต่คงไม่ใ่ผลิตเครื่องมืออะไรมาจับกิเลสออกจากใจนะแต่หมายถึงว่าเราก็จะ ทำงานในหน้าที่ของเราให้ดีเวลาเราเจอโรคโลภะที่มันจะพยายามขย้ำหัวใจของเราทําร้ายจิตใจของเราให้เราเอาสั่งซื้อก็สั่งซื้ อ, อจัดซื้อจัดจ้างที่สั่งไม่ตรงอะ่ะเขียนบินไป50อ่าแต่สั่งจริงๆสามส่วนต่าง20เราเอาไปอย่างนั้นเป็นตน้นเราก็จะ ซื้อตรงต่อหน้าที่ของเราจำเป็นต้องใช้30ก็ซื้อ30อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างมีวิธีต่อสู้กับโลภะโทสะโมหะในแบบหน้าที่ของตัวของตัวไปแต่อย่างน้อยๆก็คือสู้ภายในมันก็สู้เหมือนๆกันนะโลภะโทสะโมหะระักะก็ต้องต่อสู้กันไป ซึ่งพอเราสู้แล้วเรามีสกิลแล้วเราก็นำพาคนของรอบข้างของเราไปได้ด้วยคอยแนะนำคอยสั่งสนทนาร่วมกันเาคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงมีวิธีบริหารจัดการยังไงมีมุมมองยังไงแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยไม่ใช่แค่ บอกกันด้วยคำพูดแต่เป็นการสอนกันด้วยการกระทำเป็นแบบเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้ได้เชื่อมั่นแล้วก็ทำตามกับแนวทางที่ที่เราเดินน่ะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทํามาหมดแล้วอ่ะเจ็ปะ่ะทั้งทําให้ดูแสดงสิ่งที่ค้นพบ ออกมาแจกแจงให้เราได้ยินได้ฟังก็ทำประพฤติเป็นแนวทางให้ดูให้รู้ก็ประพฤติทำให้ดูแล้วได้อย่างหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่แน่นอนถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุท ธ, ธาก็คงจะมีบกพร่องบ้างแต่อย่างน้อยๆ ถึงจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงแต่ก็ไปในทางในแบบของตนที่ตนถนัดให้มันดีแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าไม่เนียบเหมือนกับสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็จะมีความถนัดในแบบของตนของตนที่สามารถพาตนให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกได้เหมือนกันมันก็ เริ่มที่มีความเห็นเนีที่มันถูกต้องนะทางเดินเส้นนี้เนี่ยมันเริ่มที่มีความเห็นที่มันถูกต้องความเห็นนี้ไม่ใช่ตาเห็นนะแต่ความเห็นก็คือความเข้าใจความความเข้าใจในตักกะที่มันถูกต้องนะเริ่มด้วยตรงนั้นรู้ว่าเหตุอันนี้แล้วได้ผลอะไร อะไรคือเหตุดีอะไรคือเหตุไม่ดีมีความเห็นที่เป็นตร ก, กะที่ถูกต้องไม่พอก็ต้องให้มันเป็นความเห็นความรู้สึกขึ้นในใจด้วยเพื่อที่จะเรียก ว, ว่ามีความเชื่อมั่นมีใจที่มันมีกำลังมีความเชื่อมีความศรัทธาที่มันมีกำลังเนี่ยมันจะได้ลงมือทำสักทีหนึ่ง แล้วพอทำแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่ไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยกันที่เรามีความเชื่อมั่นมากมีความเชื่อมั่นที่ดีมีกำลังเนี่ยมันก็ําให้เรามีความเพียรที่มีกำลังตามไปด้วยแต่ถ้าคนที่มีความเชื่ออยู่แต่ความเชื่ออันนี้ยังไม่ปัก ไม่ตั้งมั่นมันก็ทําเหมือนกันแต่มันก็อาจจะทําได้ไม่ดีไม่เข้มข้นไม่ประณีตเท่ากับคนที่เขามีความเชื่อความศรัทธามีความมั่นใจเต็มร้อยอย่างนี้นะแต่มันก็สามารถพัฒนาได้ความเชื่อความมั่นใจเนี่ยถ้าเรามีน้อยแต่เราทําแล้วเราเห็นผลเนี่ยความเชื่อความ มั่นใจมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับของความเพียรของเราเหมือนกันพอเราทำแล้วเห็นผลแล้วเกิดประจักษ์ที่ใจว่ามันดีงามเนี่ยความเชื่อมันต้องเพิ่มขึ้นความมั่นใจมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนพอเราทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยความเพียรเราก็มีมากทำไม่หยุดไม่ถอยทำไปเรื่อย แล้วก็ทำให้มันกลมกล่อมไม่วงานภายนอกงานภายในเราก็ทําให้มันควบคู่กันไปจัดตารางจัดชีวิตกิจวัตรของเราให้มันเรียกนิว n o r m a l l แบบธรรมะให้มันเป็นนิว n o r m a l l ที่มีธรรมนาหน้าให้มันเป็นพฤติกรรมเป็นความเคยชินเป็นนิสัยอันใหม่ที่เราจะ มีนิสัยมีความเคยชินมีความคิดมีคำพูดมีความรู้สึกที่ประกอบด้วยธรรมมีธรรมนำใจมีธรรมเป็นสมบัติที่ใจพื้นฐานก็เริ่มที่สติก่อนเลยเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของใจใช่ไหมก็ต้องมีสติที่คอยเฝ้าดูรู้เกี่ยวกับวาระของใจ วาระของจิตของเราก็ต้องฝึกสติให้ดีให้คอยเห็นใจอยู่เรื่อย<ๆ>เห็นใจอยู่เนืองๆพอเรามีสติที่ย้อนใจไม่ให้มันไหลไปตามโลภโทสะโมหะย้อนกลับมาที่เครื่องอยู่ที่ดีมีลมหายใจเป็นต้นหรือคําบริกรรมพุทโธเป็นต้นเหล่านี้ย้อนกลับมาไว้ตรงนี้ได้เนี่ย ความวุ่นวายทางความคิดทางอารมณ์มันก็จึงสงบระงับลงไปได้แล้วใจของเราเนี่ยก็จะได้ขึ้นชื่อว่ามีความสุขสงบเกิดขึ้นแต่ในภายในแต่แค่นี้พอไหมมันดีแต่ยังไม่พอยังไม่พอที่จะพาตนให้จบงานอันนี้ได้ มีความสงบมีความสุขเกิดขึ้นแต่ในภายในแล้วเนี่ยสิ่งที่ เ, เราจะต้องทำก็คือพิจารณาสิ่งต่างๆให้มันเข้าใจพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้มันแตกสลายได้หมดมันหายไปได้หมดมันเป็นสิ่งควรค่าจริงหรือเปล่าที่ เราจะเอาใจของเราเนี่ยไปผูกติดยึดมั่นถือมั่นกับมันการที่เราต้องใช้กับการที่เราผูกติดผูกยึดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะการที่เราใช้ก็ต้องใช้แต่ถ้าใช้แล้วไม่ผูกติดไม่ผูกยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไทยแล้วก็มีความเบาสบายมาก แต่ถ้าเราใช้แล้วเรามีความยึดติดผูกยึดมีความยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายปลายทางมันเป็นความทุกข์แน่นอนเพราะว่าเรายึดสิ่งไหนเนี่ยธรรมชาติของมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรคงตัวมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่มีอะไรที่คงตัว แล้วถ้าเราอยากจะให้มันคงตัวเพราะว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นอยากให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลแต่ความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องทุกข์แน่นอนแม้แต่สมาธินีแ่แหละเราเข้าสมาธิดีมีความสงบสุขดีเราก็อยากจะให้สมาธิมันดำรงอยู่อย่างนี้ ไม่เคลื่อนไปไหนไม่แว่งไปไหนไม่สลายหายไปมันก็ทําไม่ได้หรอแต่ถ้าเราเข้าใจมันเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของมันไปเดี๋ยวมันก็เข้าสมาธิมีความสงบดีพอเราไปทําเหตุอย่างอื่นความสงบเรามีน้อยลงเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องดีไหมดีแล้วการที่มันทําได้ต่อเนื่องคืออะไรก็คือการที่เราอยู่กับเหตุของมันได้อย่างต่อเนื่องใช่หัหยล่ะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่กับเหตของการทาความสงบอย่างต่อเนื่องความสงบที่มีสมาธิที่มีมันก็ต้องเปลี่ยนไปแน่นอนน้อยลงแน่น อ, น ก, น, อนก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นของเรื่องธรรมดาที่มัน มากได้น้อยได้มากได้น้อยได้แต่แน่นอ น, นเราจะไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทถึงมันจะมากได้น้อยได้แต่เราก็ไม่ใช่ว่าน้อยแล้วก็ให้มันน้อยไปเลยอย่างี้ไม่ใช่นะเราก็รู้ว่าไอ้เส้นทางที่เราเจะดำเนินไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามดำรงไอ้ความดีงามดำรงความ คุณภาพของธรรมะในจิตใจของเราเนี่ยให้มันไม่ถอยลงหรือถอยลงก็ที่พยายามเขียนมันให้ดีเขียนมันขึ้นมาให้ดีแล้วก็พัฒนามันไปเรื่อยๆจนมันจบงานนั่นแหละมันถึงจะได้วางภาระลงแต่ไม่ใช่ว่าเห็นถึงความเป็นจริงแล้วว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางลบก็ช่างหัวมันเอเมืองนี้ไม่ใช่นะ อันนี้มันกิเลสมันก็หลอกเราอีกชั้นหนึ่งอ่ะถ้าเราเพราะเราไม่ละเอียดมันเหมือนเราขึ้นตึกอ่ะเราจุดหมายเราอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะเราบอกว่าอมันขึ้นได้ก็ได้เนี่มันขึ้นแล้วมันก็ลงได้เหมือนกันเราเดินลงมันก็ลงเราเดินขึ้นมันก็ขึ้นแต่เป้าหมายเราอยู่ชั้นบนน่ะเราเดินลงมันจะไปถึงชั้นบนได้ไงเราก็ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละชั้นใดชั้นนั้น เราก็ต้องพัฒนาให้มันดีไปเรื่อยๆแต่แน่ น, นอนแน้่มันก็ต้องเผลอบ้างหล่นมาบ้างเราก็มีความเพียรมีความพยายามเพราะว่าเราเห็นภัยเราเห็นโทษในวัตะอันนี้แล้วเราเห็นโทษของโรคที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหระราคะในจิตใจของเราแล้วก็จึงต้องรีบพยายาม ตะเกียรตะกายให้มันไปสู่จุดที่เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ให้มันได้เร็วๆก็มั่นพิจารณาด้วยมีสติเห็นกายมีสติเห็นใจมีสติคอยดูไม่ให้มันหลงไปในความคิดมีสติที่จะคอยเห็นถึงกระแสของใจเราว่ามันอยู่ตรงไหน ใจเราไปสัมผัสสัมพันธ์เรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมสอนมันให้มันเข้าใจตามความเป็นจริงให้มันเห็นถึงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นที่สติก็พยายามรักษาสติฝึกสติให้ดี